2. โกศิยวัค10 ก, กะยะวิกะยะสิกขาบทว่าด้วยการซื้อขายเรื่องพระอุปนันทสักยบุตร593สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทสักยบุตรชำนาญการตัดเย็บจีวรท่านได้เอาผ้าเก่าๆทาสังขาตแล้วย้อม จัดแต่งอย่างดีแล้วใช้หม่มสมัยนั้นปริพาชคผู้หนึ่งหม่มผ้าราคาแพงเข้าไปหาท่านพระอุปนัน t h ัสกยบุตรถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับท่านว่าสังคาติของท่านงามจริงๆแลกกับผ้าของเราเถิดท่านพระอุปนัน tha สกยบุตรกล่าวว่าท่านจงรู้เองเถิดปริพาชคตอบว่าข้าพเจ้ารู้ขอรับท่านพระอุปนัน tha สกยบุตรตกลงให้ไป ปริพาโชคห่มสังฆาติพื้นนั้นไปปริพาชกห่มสังฆาติพื้นนั้นไปปริพาชการามปริพาชกทั้งหลายถามปริพาชกนั้นว่าสังฆาติของท่านงามจริงๆท่านได้มาแต่ไหนเขาตอบว่าข้าพเจ้าเอาผ้านั้นแลกมาพวกปริพาชกกล่าวว่าสังฆาติพื้นนี้จะทนอยู่ได้สกี่วันผ้าพื้นนี้ดีกว่าสมัยนั้นปริพาชกนั้นคิดว่าปริพาชคทั้งหลายกล่าวจริง สังคาติพืนนี้จะทนอยู่ได้สักกี่วันผ้าผืนนั้นดีกว่าจึงกลับไปหาท่านพระอุปนันทสกยบุตรถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับท่านว่าเอาสังคาติของท่านไปจงให้ผ้าของเราคืนมาท่านพระอุปนันทสกยบุตรกล่าวว่าเรากล่าวกับท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าท่านจงรู้เองเถิดเราจะไม่ให้ปริภาชกนั้นตาหนิประนามโพท น, นาว่า แม้พวกเครือหัดยังคืนของให้เครือหัดผู้เดือดร้อนบนรรพชิตไม่ยอมคืนของให้บรรพชิตด้วยกันหรือพวกภิกษุได้ยินปริภาชกนั้นตำหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าขณะท่านพระอุปนัน t ะสักยบุตรจึงทำการซื้อขายกับปริภาชกเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตาหนิท่านพระอุปนันท h สักยบุตรโดยประการต่าง แล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงสาราง